แถวนี้ผีดุเรื่องเล่าผียาสเสน่ห์ผีพรายหลอนสวัสดีครับทีมงานแถวนี้ผีดุผมชื่อต้นเป็นนักศึกษาชั้นปีที่สามหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพขอถ่ายทอดประสบการณ์เรื่องเล่าเร้นลับเกี่ยวกับไสยศาสตร์และการเล่นของซึ่งตัวผมเองคิดว่าจะเป็นประโยชน์ไม่น้อยสำหรับผู้ที่อยากเล่นของประเภทสเสน่ห์ให้คิดก่อนที่จะเล่น หรือเอาตัวเข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะเหตุการณ์ที่ผมจะเล่าต่อไปนี้มันน่ากลัวจริงๆครับเรื่องก็มีอยู่ว่าเมื่อประมาณกลางปี2558ผมรู้จักกับรุ่นพี่ผู้ชายคนหนึ่งซึ่งอยู่ปีสในคณะเดียวกันไปไหนมาไหนด้วยกันจนสนิทสนมกันดีต่อมาแกก็เริ่มเล่าเรื่องราวที่บ้านเกิดของแกที่อยู่ต่างจังหวัดเป็นจังหวัดหนึ่งทางอีสานใต้พี่เขาบอกว่า ที่นั่นมีความเชื่อทางสยศาสตร์หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการทำสเสน่ห์การเล่นของประเภทต่างๆซึ่งตัวผมเองก็มีความสนใจอยู่เป็นทุนเดิมเพราะอยากได้เครื่องรางของขลังประเภทสเสน่ห์มาติดตัวบ้างเลยบอกความต้องการกับพี่เข้าไปในเวลาต่อมาพี่เขาได้เดินทางกลับบ้านที่ต่างจังหวัดเพื่อไปเยี่ยมพ่อแม่ขณะเดียวกันแกก็บอกว่าจะหาของดีจากอาจารย์มาให้เมื่อแกกลับมาถึงกรุงเทพ ก็นำของบางอย่างคล้ายๆกับสีพึ่งเป็นตลับเล็กๆมาให้บอกว่าใช้ทาปากและจะเป็นมหาสเสน่ห์พูดจาอะไรใครก็ฟังคนก็หลงรักสีพึ่งนี้แกว่าอาจารย์ของแกปลุกเสกมาอย่างดีทําอย่างละเอียดส่วนราคาบูชาก็แพงใช้ได้อยู่แต่เนื่องจากผมสนิท ก, กับพี่เขาเลยได้มาฟรีๆแกบอกว่าให้ลองใช้ดูก่อนถ้าใช้ได้ผลคราวต่อไปค่อยบูชากับอาจารย์ก็ได้อาจารย์ที่แกว่านั้นก็เป็นอาจารย์ทางไสยศาสตร์ ที่ชอบเล่นวิชาอาคมทั่วไปนั่นแหละครับพอผมเปิดดูในตลับกลิ่นมันแปลกๆจะว่าหอมก็ไม่หอมตัวสีพึ่งจะเป็นสีนวลๆแต่มีลักษณะเป็นมันวาวและชุ่มชําก่อนทาก็ต้องมีการท่องคาถาเพื่อให้คนรักคนหลงเมื่อผมเอาตลับสีพึ่งนั้นมาไว้ในห้องคืนแรกก็ฝันว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งรูปร่างผอมๆ ผ, ผิวคล้ำๆมานั่งอยู่บนหัวเตียงผมเห็นแค่ปลายผ้าของเธอ กับเท้าของเธอที่ดํามากเท่านั้นครับเธอไม่ได้พูดอะไรในความฝันกินระยะเวลาแค่สั้นๆเองครับไม่ได้มีรายละเอียดอะไรมากผมก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเกี่ยวกับสีพึ่งที่ได้มาเพราะโดยปกติผมก็เป็นคนฝันเรื่อยเปื่อยอยู่แล้วกินมากกับฝันมากเลยไม่ได้คิดอะไรแล้วก็ไม่ได้ฝันเกี่ยวกับผู้หญิงคนนั้นอีกเลยจากนั้นเป็นต้นมาผมก็ทาสีพึ่งนี้เป็นประจำและแปลกว่ามันก็ได้ผลไม่น้อยเลยทีเดียวครับ เพรคนที่ผมแอบชอบเขาก็หันมาคุยดีๆกับผมทั้งๆ ท, ที่ก่อนหน้านี้เขาไม่อยากคุยกับผมเลยด้วยซ้ําผมเริ่มติดใจกับสเสน่ห์ของสีพึ่งนี้เขาให้แล้วจนเมื่อวันหนึ่งขณะที่ผมขับรถมอเตอร์ไซค์ออกไปซื้อของหน้าปากซอยแม่ค้ากลือเตี๋ยวที่รู้จักกันทักว่าแหมมีแฟนใหม่ก็ไม่บอกนะผมนี่งงเลยครับเพราะขับรถมาแค่คนเดียวจึงตอบแกไปว่าสงสัยแกจะจําคนผิดมั้งแต่แกกลับบอกมาว่าจำไม่ผิดหรอกวันก่อนค่าๆอ่ะ เห็นย an ังซ้อนมอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าร้านพี่อยู่เลยผมได้แต่ยิ้มยิ้มแล้วก็คิดว่าพี่แกน่าจะจําคนผิดมากกว่าเพราะรถมอเตอร์ไซค์รุ่นเดียวกับผมก็มีคนขับเยอะแยะค่าๆแกควจะตาฝาดไปก็เลยไม่ได้ตอบโต้อะไรแต่เหตุการณ์ยังไม่จบเพียงเท่านี้ครับเพราะคนแถวบ้านมักจะทักอยู่เรื่อยๆว่าพาใครไปที่บ้านบ้างล่ะพาใครซ้อนมอเตอร์ไซค์บ้างล่ะผมสอบถามจากคนที่พบเห็นเขาบอกว่าผู้หญิงที่มากับผมผิวออกคล้ำ หน้าตาดีใช้ได้แต่ผอมโซใส่เสื้อคอจีนสีดำเธอดูไม่สะอาดเท่าไหร่นักแต่ผมก็กลับคิดไปว่าพวกเขาอาจจะจำคนผิดก็ได้เพราะผมก็ไม่เคยพาผู้หญิงเข้าบ้านหรือไม่เคยพาใครซ้อนท้ายรถแม้แต่ครั้งเดียวสัปดาห์ต่อมาผมกับเพื่อนในมหาวิทยาลัยนัดกันออกไปทานข้าวเย็นที่ตลาดโต้รุง่งไปทานข้าวต้มกัน3มคนเป็นผู้ชายหมดสั่งข้าวต้มมาสามถ้วยกับอาหารประมาณ3สี่อย่าง พอเด็กเสิร์ฟเอาน้ำมาเสิร์ฟปรากฏว่ามีแก้วสี่ใบผมได้บอกไปว่าขอแก้วแค่สามใบเด็กผู้หญิงที่มาเสิร์ฟบอกว่าหนูเห็นมีพี่ผู้หญิงมานั่งด้วยนะคะก็เป็นสี่คนนี่ผมกับเพื่อนได้ยินดังนั้นก็หันมองหน้ากันและไม่มีใครพูดอะไรเพราะยังงุนงงกันอยู่เนื่องจากพวกเรามากันแค่สามคนจริงๆระหว่างนั้นเพื่อนผมคนหนึ่งที่มาด้วยก็พูดให้ชวนคิดว่าหากมีใครเล่นของ ิวิญญาณที่อยู่ติดกับของสิ่งนั้นหรือถูกนำมาทำเป็นของจะติดตามผู้เป็นเจ้าของเท่านั้นแหละครับผมขนลุกเลยเพราะฉุกคิดขึ้นมาว่าผมใช้สีพึ่งอยู่แต่ก็ยังสงสัยว่าแค่สีพึ่งที่นำมาปลุกเสกมันจะมีผีไปได้ยังไงเหตุการณ์เหล่านี้ทำให้ผมคิดทบทวนกับสิ่งที่เกิดขึ้นมาต่างๆผมจึงตัดสินใจสอบถามกับรุ่นพี่คนนั้นที่นำมาสีพึ่งมาให้ว่ามันทามาจากอะไรและก็ได้คาตอบว่า สีพึ่งที่ได้มันนั้นมีส่วนผสมของน้ำมันพรายที่ได้มาจากผีตายโหงและว่านสเสนประเภทต่างๆส่วนผีพรายจะตามคนที่ใช้หรือไม่พี่เขาบอกเรื่องนี้ไม่ทราบเหมือนกันคำตอบที่ได้มันก็ยังคลุมเครือและไม่ชัดเจนเท่าไหร่ผมก็เลยยังใช้สีพึ่งตลับนั้นทาปากต่อไปเพราะมันใช้ได้ผลดีจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพศตรงข้ามที่มีสาวสามารุมล้อมมากมายพูดอะไรก็ดีไปหมดเรียกว่าผลของสีพึ่งนั้นแรงดีจริงๆ จนกระทั่งวันที่สีพึ่งก็หมดเหลือแต่ตลับแต่ว่ากลิ่นแปลกๆนั้นยังอยู่ไม่จางหายไปไหนผมได้แต่คิดว่าอยากจะใช้มันอีกก็เลยโทรไปหารุ่นพี่สนิทแกก็รับปากว่าจะเอามาให้ในเดือนหน้าแต่คราวนี้ก็ต้องมีค่าบูชาตามกําลังศรัทธาจากนั้นผมจึงหยิบตลับสีพึ่งลงถังขยะกะว่าพรุ่งนี้จะเอาไปทิ้งแล้วคืนนั้นเองผมจําได้ว่าเป็นวันพระตกกลางคืนผมก็ทํากิจวัตรตามปกติ ทำแรงงานอาบน้ําดูละครและเตรียมจะเข้านอนระหว่างที่ผมนอนไปได้สักพักคือรู้ตัวเองว่าอยู่ในช่วงที่กําลังจะหลับในท่านอนตะแคงก็รู้สึกว่ามีคนมานอนโอบ ก, กอดอยู่ด้านหลังพร้อมกับลมหายใจแรงๆที่เหมือนกับว่าคนคนนั้นเอาจมูกมาสุกที่ต้นคอเขากอดรัดผมแน่นและแน่นขึ้นอีกจนผมหายใจไม่ออกปะปนกับความตกใจผมพยายามจะลืมตาให้เต็มตาแต่ก็ลืมไม่ขึ้น พยายามจะปัดมือนั้นออกก็ทำไม่ได้อาการคล้ายๆกับผีอัมอาการนั้นกินเวลาไปประมาณ5นาทีเห็นจะได้ผมจึงรวบรวมกำลังที่มีอยู่พยายามดึงทั้งมือผลักทั้งหัวแต่เขาก็ไม่ยอมออกจากตัวผมผมเลยลองคลำค ร, ร่างเขาดูรู้สึกได้ชัดเจนว่าร่างนั้นเย็นเฉียบเป็นร่างของผู้หญิงผมยาวใส่เสื้อผ้าเหมือนคนปกติทุกอย่างแต่ร่างนั้นเหมือนจะผอมมาก เพราะคลำคลำไปเจอแตกระดูขนาดนั้นผมได้ยินเสียงเธอพูดใกล้ๆหูว่าเธอรักผมมากและจะอยู่กับผมตลอดไปเธอจะอยู่อย่างนี้อย่าเพิ่งทิ้งเธอเลยเสียงนั้นกล้องกองวานในหูทำเอาผมแทบสติแตกจิตใต้สำนึกของผมมันฟ้องในทันทีว่าไม่ใช่คนแน่ๆตอนนั้นผมจิตตกและกลัวมากครับได้แต่ภาวนาอยากให้ผีตนนี้ออกไปโดยเร็ว แต่ยังดีทุกคุณตาผมสอนให้สวดมนต์อิติปิโสผมก็เลยทําพยายามสวดแม้จะอ้าปากไม่ได้ก็ท่องในใจแค่ประมาณสองรอบผมก็หลุดจากอาการเหล่านั้นสามารถลืมตาได้ในทันทีแต่ความรู้สึกมันก็ไวมากผมไม่รู้ว่าเพราะเหตุอะไรทําให้ผมหันกลับไปที่ผีตนนั้นผมได้แต่จะแคงกลับไปข้างหลังมันทำให้ผมถึงกับช็อกเพราะผมเห็นหน้าของเธอ จ, จัจจะในระยะที่ใกล้กันไม่เกินห้านิ้ว หน้าของเธอดำเหมือนถ่านมีแต่ลูกตาสีขาวไม่มีตาดำตาของเธอดวงโตมากมันเป็นสีขาวและมีเส้นเลือดแดงๆในตาของเธอราวกับเส้นเลือดนั้นกำลังจะแตกหน้าของผมกับหน้าของเธอนี่ใกล้ชิดกันระดับ HD ผมจำรายละเอียดของเธอได้หมดเธอมองผมตาไม่กระพริบพร้อมๆกับรอยยิ้มที่ชวนสยองสุดขีดเธอเริ่มหัวเราะึ้นมาเบาๆแต่เสียงนั้นไม่ยังก้องอยู่ในหูของผม กลิ่นลมหายใจของเธอที่น่าสะอิดสะเอียนเนี่ยผมยังจำได้แม่นผมสติแตกทันทีจะร้องก็ร้องไม่ออกเงือของผมออกมาท่วมตัวเหมือนกับอาบน้ำมาใหม่ๆผมทนการจ้องตากับเธอไม่ไหวได้แต่หลับตาและภาวนาให้เธอหายไปอย่าได้มารบกวนกันอีกเลยสักพักเสียงหัวเราะ ข, ของเธอค่อยๆจางหายไปพอลืมตาขึ้นมาเธอคนนั้นก็ได้หายไป ผมได้ติกรีบลุกจากที่นอนและขับรถออกไปขอนอนกับเพื่อนที่อีกหมู่บ้านหนึ่งทันทีผมเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้เพื่อนฟังเพื่อนคนนี้พอมีความรู้เรื่องไสยศาสตร์อยู่บ้างมันให้ความเห็นว่าผีตัว น, นี้น่าจะเป็นนางพรายที่มากับสีพึ่งแม้ว่าสีพึ่งจะหมดแล้วแต่กลิ่นแปลกๆยังอยู่นั่นแสดงว่าดวงจิตดวงวิ ญ, ญญาณของพรายยังอยู่แน่นอนและเธออาจจะติดใจผมก็ให้แล้วจึงไม่อยากไปไหน การที่ผมคิดจะทิ้งตลับสีพึ่งก็เท่ากับไม่ใยดีในผีตนนั้นทําให้เธอต้องมาปรากฏตัวให้ผมเห็นแล้วกูจะต้องทํำยังไงดีวะเพื่อนผมก็แนะนําว่าให้เอาสีพึ่งไปวางไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปถ้าไม่มีพระพุทธรูป ก, ก็ต้องทําลายอาถรนก่อนโดยการเอาพระสิ้นที่แม่ใช้แล้วมาคลุมตลับสีพึ่งหรือเอาสีพึ่งทิ้งลงที่พรมเช็ดเท้าเพื่อให้อถรนนั้นหมดไปจากนั้นก็ให้ทิ้งตลับสีพึ่งได้ แล้หมั่นอุทิศบุญให้ผีพรายตนนี้บ่อยๆพร้อมกับขออโหสิ ก, กรรมหากได้ล่วงเกินอะไรกันไว้ตั้งแต่ชาติไหนก็ตามเพื่อนผมยังบอกให้หายันเท้าเวสุวรรณมาติดไว้ที่หน้าบ้านให้ผมสวดมนต์ทุกๆคืนซึ่งจากนั้นมาผมก็ทําตามครับแต่กว่าจะผ่านพ้นความกลัวมาได้ทำเอาผมนอนไม่หลับมาหลายวันและนอนคนเดียวในบ้านไม่ได้ต้องไปนอนกับเพื่อนๆ อ, อยู่ตลอดอีกอย่างผมก็ต้องรีบโทรศัพท์เพื่อระงับกับรุ่นพี่ไม่ให้สั่งสีพึ่งนั้นแล้ว แม้ว่ามันจะให้ผลดีแค่ไหนก็ตามแต่การที่วิญญาณของผีพรายจะมาติดตามเราก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีนักเพราะในระหว่างที่ผมใช้สีพึ่งอยู่ก็มีคนทักว่าหน้าดำหมองคล้ำเหมือนคนโดนของถ้าผมติดใจในอาฐาน์มากๆผมอาจจะต้องไปเป็นสามีของผีพรายในอีกโลกเป็นแน่หากชอบโปรดกดถูกใจ และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ